เดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องพระเรื่องเจ้าให้ฟังสักององ 4 องค์ที่โดดเด่นสมัยนั้น หลวงพ่อแช่งศิลปัญโญผู้นี้เป็นผู้ที่ทรงอนุภาพอภิญญาญาณเป็นที่ปรากฏแล้วก็เป็นที่ ก่อนที่จะเคลื่อนกองทัพเข้าคณะรัฐบาลทหารและพลเรือนก็จัดพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลก็คือผ้าที่ๆเนี่ยนะหลวง หลวงพ่อชวนอ่าพิธีก็เริ่มตั้งแต่ย่ำค่ำจนถึง ปวงวิญญาณวีรชนในอดีตมาร่วมทําพิธีกรรม 14 พานทองจบสิ้น ยังไม่ถึงขนาดจะได้ประกอบพิธีเพิ่มเติมต่อไปอีกพลตรีหลวงเกรียงศักดิ์วิชิตจึงนำผ้าประเจียดทั้งหมดมาถึง ด้วยความกลัวเกรงเพราะว่าทหารไทยที่มีผ้าประเจียด เป็นพระอภิญญาแล้วก็ทรงคุณวิทยาสูงสุดอีกองค์หนึ่งวิถีชีวิตของท่านก็ ครอบครัวของท่านไม่เพียงแต่จะมีฐานะ ก็ได้รับการศึกษาเล่าเรียนอ่าเป็นพระธรรมดานี่แหละจบครบพันศาลนึงก็ลาออกลาศึกมาเป็นฆราวาส ถ้าหากว่าไม่มีกรรมผัวพันกับคนคนนึงถึงกับมีเหตุบีบบังคับให้ท่านต้อง ในเดิมเป็นทั้งนักเลงนักเล่นดื่มเหล้าเมามายทุกวันอาศัยว่าพ่อแม่มีสตางค์มั่งมีเงินทองน่ะเป็นลูกคนเดียวในเดิมก็มีเงินใช้ฟุ่มเฟือยโดยไม่ต้องทํา คนที่มีนิใสสัสรรราณ์เรวนะเปร朋友เมื่อแม่เล็กที่มันดูดเอาเศษเล็กสนิ้มเกรอมาติกอยู่ด้วยโดยเหตุนี้เพื่อนฟูงพักพวกของในเดิมมีแต่คนเลวพาพอกันวันๆก็เอาแต่ร้ำสูราห้าหรือไม่ ก็เตรียมจัดงานบวดลูกชายเตรียมจัดงานบวชลูกชายกำหนดกลับ ชุดสาวไปทำย่ำๆทั้งสิ้นพ่อแม่ใน แทงคนจีน 15 ปีถึงจะอยู่ในคุก แทนที่นายเดิมจะสำนึกผิดคิดและอีกติดคุกยังออก ต่อ जी ไหนดอกไม่ยอมรับเป็นมิเป็นเมียเป็น วันหนึ่งในเดิมก็เมามายเดินโซซัสโซเซ่ขึ้นบ้านมาขอ มันจะหาเงินเองๆพ่อแม่ในเดิมทุกข์ ผู้เป็นพ่อเนี่ยตรอมใจอยู่ ทั้งเดิมเล่าเล่นการพนันเกะกะระรานตามวิสัยอันธพาล กระทั่งบ้านเรือนไร่นาวัวควาย ตั้งเป็นจุมโจรอยู่ในเขต 3 พาหนะก็มีแค่เกวียนกับม้าการ บารมีของเสือปล้นจะๆไม่กล้าลังควนในเดิมด้วยว่าเสือเดิมก็จะมีจิตใจหยาบช้าโหดเหี้ยมมากๆในกามได้คือไปต้องตาต้องใจลูกสาวพ่อค้าจีนคนนึงแทนที่เสือเดิมจะฉุด แล้วก็จัดงานแต่งงาน ไอ้เจ้าชั่วนี่ก็เลยจำใจจาก รู้ว่าเมียสาวลูกจีนแผ่นหนีไปแล้วพร้อมกับ เสือดอมยิ่งโกรธหนักเข้าไปอีกสั่งให้ ครั้งประจันหน้ากันเสือเดิมก็ตวาด เสือดำไม่ใช่คนโง่ขาวบ่าวบัญญาลเห็นกิริยาท่าทางน้ำเสียงของหนุ่มแชงก็รู้ไอ้หนุ่มคนนี้ไม่ได้ ยิ่งเหงนสันดานพาลหยาบชาอย่างนี้ก็ยิ่งเกลียด ต่างก็พากันละย่อไม่มีพ่อ อันที่จริงเสือเดิมนั้น พระแฉ่งหรือว่าหลวงพ่อแฉ่งไม่ใช่ มัจจัมมันสาอยู่ที่วัดบางพังซึ่งใกล้จะเป็นวัดร้างอยู่แล้วมันใกล้จะพังสมชื่อ ช่วยกันทําให้เจริญขึ้นครับนั่นก็คือ